น้องๆตอพระนาไตรต่อไปความเคารพมาอย่างพระกรมเปื่อนสังฆธรรมิกทุกๆครูจันทรพรออย่างคุณแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่นานจวนจ้นา ว, วันจันทร์ที่30กันยายนสิ้นเดือนพุทธศักราช2556เรามาทำวัดเช้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ชาเน้มีประสงค์อยู่18รูปุบาศกสองมมชี2มีหน้าธรรมอยู่ประมาณสิหาคนสิ1หท่านเรามารวนตัวทาวัดเช้าตื่นนอนกันกี่โมงไม่รู้แต่ว่าเสียงกลองก็ก่อนที่4ีหนาที จบเราก็ธรรมะสวดมนกันเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะช่วงนี้ก็ไปไปายกันก้าวบันสาละนะเลยไม่ถึงเดือนเราก็คงจะเล่งความเพียรกันอยู่เที่ยวเล่นความเพียรก็คือเพียรรู้นะจะรู้อะไรลราก็กายเวทนาจิตธรรมนั่นนะรู้กายรู้ใจรู้สติ มันรู้สติก็คือมันรู้เฉยๆมันทั้งผ่องแผ้วทั้งผ่องใสทั้งอ่อนโยนสละสวุนี่ยรู้เฉยๆเป็นตัวนี้มันไม่ใช่หายไปเลยวง่างเงยียบมันไม่ใช่มันตื่นรู้นะเราก็เร่งทําความเพียรหนึ่งนี้กันคือรู้อันไหนก็ตามก็รู้แล้วก็หลุดรู้แล้วก็หลุ ด, ลลดที่เรียกว่าอันไหนก็คือรูปธรรมนามธรรมอันไหนหยาบสุด มก็รู้ก่อนแหละบืองต้นเราก็ฝึกรูปแบบการเคลื่อนไหวจากไม่เคยได้ยินก็ได้ยินได้จําได้รู้จักเสร็จแล้วก็ลงมือทําก็เห็นแจ้งขึ้นมารู้จริงๆสัมผัสรู้สึกตัวเนะี่ยรู้จริงๆรู้มาทั้งภาษาเนาะ น, นะอยกระทั่เหมือนกับว่าเออมันชัดขึ้นชัดขึ้นจัดขึ้นยันไงไของตัวปกติที่มันเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นมันอยู่กลางๆ มันอยู่บนบนกลางด้วยบนด้วยแล้วก็รู้ถูกด้วยรู้ดีรู้ถูกรู้แล้วเป็นประโยชน์ด้วยรู้แล้วรู้สึกเออมันพ้นจริงๆรงิมันไม่ขัดแย้งภายในจิตใจมันไม่หนักอกหนักใจมันหลุดโล่งโปร่งสบายตรงนี้เราก็ได้เห็นมันเกิดขึ้นขณะปฏิบัตินี่ยแหละเป็นปัจจุบัน รู้ปัจจุบันมันก็เห็นในจุปัจจุบันก็ปล่อยมันก็วางเป็นปัจจุบันรู้ทันทีเห็นทันทีมันปล่อยมันวางทันทีรู้สึกตัวรู้สึกตัวส่วนไอ้ตัวรูปธรรมนี่มันเห็นหรือยังรูปธรรมเนี่ยรูปอาคารนีเห็นหรือยังมันอยู่ทางขวาแบ่งเป็นสามส่วนตรงกลางซ้ายขวาเนี่ยรูปอาคารนี่อยู่ขวาอยู่ขวาแล้วต่ําด้วยนะ ส่วนนามเนี่ยไอ้ตัวคิดนี่อยู่ซ้ายอารมณ์ต่างๆก็แยกย้ายกันไปความกลัวอยู่ล่างแต่เป็นลักษณะของความง่วงเนี่ยโอ้ทิศทางรอบตัวเหมือนกันบางทีก็มาข้างบนเดียวมาซ้ายมาขวาไอ้ตัวหลงตัวเดียวกันตำแหน่งเดียวตัวรู้แต่พลิกนิดเดียวเพลอนิดเดียวก็ไปเลยหลุดตำแหน่งเดียวกันมันจึงมีอำนาจเหมือนกันตัวโลก็มีอำนาจตัวหลงก็มีอำนาจ เป็นลนักษณะของธรรมชาติของจิตธรรมชาติแบบไหนถ้าเป็นธรรมชาติแบบกุศลตัวรู้ก็ทํางานธรรมชาติแบบอกุศลตัวหลงก็ทํางานแล้วมันก็ส่งเคราะห์กันอันนี้ไม่ได้คิดเอาไม่ได้ดนเดาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้คํานวณไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้วิจัยอะไรแต่เพียงแค่ว่ามันสัมผัสมันรู้สึกกันในใจเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวจนกระทั่งมันเหมือ น, นกับว่ามันมีประสบการณ์ตรงนะ มันหลายวันหลายคณาจิตเนี่ยมันก็จะต้องมีประสบการณ์ตรงบ้างหรอกนะมันหลงไปมันเป็นยังไงหลงคิดโกรธเป็นยังไงนัยศาสตร์นทางการแพทย์ว่าต้าหลงคิดโกรธก็มีผลต่อตับเนี่นะต้าหลงคิดกลัวมีผลต่อไตทําไมผู้หญิงมันโรคตับโรคไตนี่ยเยอะกับเพื่อนนโรคตับก็เพราะว่าอารมณ์แรง เวลามันคุมมคไม่อยู่สมาธิมันเยอะมันมีธรรมชาติของจิตแบบนั้นกันส่วนทําไมผู้ชายมันปล่อยวางง่ายกันนะทำไมมันพอมันจะปล่อยวางมันพะวพัะเพั่วไปเลยกัธรรมชาติของผู้ชายนั้นมันก็โยงไปจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันพิสูจน์ได้อยู่ทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าพุทธศาสตร์บางทีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หลายส่วนก็ยังจับไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็พยายามค้นคิดกันอยู่ เรปฏิบัติเงจึงเป็นพุทธวิยาศาสตร์ที่เราสามารถสัมผัสได้ตรงๆจะเรียกว่ามันเป็นความรู้เฉพาะตัวของคนที่รู้ได้ใครที่ฝึกแล้วรู้ได้คนนั้นก็รู้รู้ผ่านกุศลอกุศลรู้ผ่านกายผ่านใจรูปธรรมนามธรรมผ่านบุญผ่านบาปผ่านพฤติกรรมผ่านการกระทําต่างๆทางกายทางวาจาทางจิตใจเราก็เรียนรู้มันรู้ในการที่จะใช้ชีวิต รู้ในการที่จะทําหน้าที่รู้ในการที่ใช้กายใช้ใจของเราใช้ธรรมะใจคุณธรรมต่างๆมันเป็นการใช้มีไว้ใช้แต่ว่าก่อนที่จะมีก่อนที่จะใช้ก็ต้องรู้จักก่อนหมวดหมู่ของธรรมะต่างๆหมวดหมู่ของธรรมชาติที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนรูปขันมันเป็นยังไงนามขันมันเป็นยังไงกลุ่มของศีลสมาธิปัญญาเป็นยังไงหน้าตาของมันลักษณะ bırak. คุณภาพประสิทธิภาพของมันเราก็จะได้เห็นตัวเรานะใช้ชีวิตจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันก็เป็นพลังชีวิตส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นเศษเสี้ยวก็ว่าได้เป็นธุปลีก็ว่าได้มันเล็กมากเลยแต่เราก็นึกว่ามันยิ่งใหญ่มากต ะ, ะกูได้กอดะกูและใหญ่กับเพื่อนนี่นะมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าโอ้โหมันหลงขนาดนั้นประมาทขนาดหนักตายกับทุกคนเดียว คนอื่นก็ไม่ได้ทุกข์กับเราด้วยเวลาโกรธเวลาทุกข์กับทุกคนเดียวมันก็แก้ด้ยความรู้สึกตัวแต่เราเห็นจริงๆมันดับทันทีจริงๆเดี๋ยวพ่อไม่ต้องมาแก้ว่าเห็นความรู้สึกที่กา ย, น, ยนะในตัวรู้แกว่ารู้ที่กายนะมันก็มีคุณภาพมากมายแล้วล่ะความโกรธเกิดจากความคิดคิดเสร็จแล้วก็หลงตัวหลงกลางๆใช่ไหมที่เมื่อกี้พูนตอนตอน้น เวลามันรู้มันรู้กลางๆเหมือนกันแต่พอมันรู้มันรู้ไม่ถูกหรือมันรู้ไม่ชัดหรือไม่รู้สึกที่ตัวไม่รู้สึกติดเนื้อที่กายของเราเนี่ยมันก็ห ล, ลงไปในความคิดเนี่ยคราวนะี้พอหลงไปในความคิดคิดโกรธเงี้ยนะคิดโกรธเสร็แล้วมันก็มีอาการทางร่างกายมันก็คงจะหลั่งสารเคมีแล้วก็มีฮอร์โมนต่างๆทางการแพทย์นะทางวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นพบ แต่มากกว่าเราสัมผัสได้วิ่งไปด้านขวาก่อนที่จะกำหมัดกัดฟันก่อนที่จะแก๊กเกรงด้านขวาเครียดแล้วระบบสมองระบบประสาทไปทางขวาเลยเราก็สัมผัสได้แล้วก็คลายตัวเองปลดปล่อยตัวเองปลดตัวเองออกมาเหมือนกับว่ามาสู่ฐานของความเป็นปกติใหม่เเสร็จแล้วพพุ่งไปทางด้านขวาเงี้ยมันก็มีผลต่อตับ เมื่อเจ็บปวดท้องดิเครียดจนปวดท้องกลอดจนปวดท้องจนสั่นเทิมทั้งตัวจะหายใจสาหยาบแล้วก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยมันผิดปกติไปแล้วทางกายทางใจของเราไอ้ตัวนี้ภรษาแรกนะได้เห็นได้เห็นตอนที่เดินจงกรมอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันกลอดขนาดหนักเราก็มันกลอดอะไรของมันอาการแบบเนี้ยก็สังเกตว่า อ, อ๋อมันโกดคนคนหนึ่ง คือเราไม่ไว้วางใจมันมีความซู้สึกโอมันเป็นภาพของบุคคลแล้วมันก็ย้อนกลับไปในอดีตโอคิดอดีตแล้วกรอดได้ใหม่ไปอย่างนี้นี่เองพอเราได้เห็นแบบอ๋อมันเห็นซ้ําๆพอไม่เห็นจนชัดเจนแล้วมันก็เออเอาละต่อไปนี้ไอ้ตัวนี้มันจะแสดงออกตรงนี้ไม่ได้มันก็จะต้องกลับฐานฐานของความเป็นปกติหรือว่าจิตตาโนปัสสนาสติปฐานเห็นจิตในจิตจิตของเรากำลังผิดปกติ เห็นลักษณะของสภาพธรรมต่างๆติมแสดงออกมาตามกฎของธรรมชาติเหมือนกันบางทีเราเห็นหน้าคนเป็นปัจจุบันนะแต่เราเผลอหลงเข้าไปเจแล้วมันก็หน้าละไม้คล้ายๆกับคนที่เราเกลียดที่สุดเงี้ยมันก็นึกถึงอีคนแล้วก็ความเกลียดความกรอดก็เกิดขึ้นมาได้ใหม่เลยเป็นกระบวนการปรุงแต่งกระบวนการลูกโซ่ของปฏิจจสมุบัติพอหลงนิดเดียวไปทางตางอวิชาเกิดขึ้นไหม สังขารการปรุงแต่งทันทีนะมันเกิดวิญญาณขึ้นมารู้ได้เลยรู้สึกได้เลยเสร็จแล้วมันก็ไม่ทันเพราะว่าวิญญาณไม่มีศีลอย่างนีน้นะมันไม่มีศีลมันก็กลายเป็นเรื่องของการปรุงแต่งไปแล้วเป็นเรื่องของการรับรู้รับทราบไปแล้วมันหลงมันปรงุงก็กลายเป็นเรื่องของจิตที่ค่อยๆพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพรามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสลายตนาชัดขึ้นมา เกิดอายยานะชัดขึ้นมาเมื่อจะเกิดอะไรอีกมากมายกายกองกลายเป็นเรื่องของการกระทบสัมผัสนำรูปทํางานตรายยานะทํางานเกิดลักณะของสัมผัสที่มันสัมผัสแล้วก็หลงไปในสัมผัสทํางานหลงรู้แล้วรู้ไม่ถูกกระบวนการ ก, ารก็วิ่งไล่กันไปเกิดลักณะของเวรนานะตันหาวทานภพชาชรามรณะนะโสกกะเปรตวัตถุอุปายาสะ ไหลไปจนนั่งเหมือนกับว่าพริบตาเดียวนั่นเองหลงเผลอพริบตาเดียวไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเราไม่ต้องไปจําว่ากระบวนการมันไหลไปไงแต่เพียงแค่ว่าเราสัมผัสว่ารู้สึกกับไม่รู้สึกเรียนรู้แบบลัดรัดสั้นๆง่ายๆเราก็จะมาฝึกกันเลยนั้งแตงวันตื่นยันหลับฝึกจนนั่งเหมือนกับว่ามันชํานานะนะชํานาญที่จะรู้เออนี่มันหลงอีกแล้วหลงด้านซ้ายทะลบหลงด้านซ้ายเลย มีลาคะในด้านซ้ายเลยกามในด้านซ้ายเลยมันหลงคิดปรุงบ้านมโนภาพอยู่นั่นแะแต่ถ้าความโกรธมันเข้ามาเลยนะมันจะแสดงทางเก๊กเกงลมหายใจยาวไปที่ด้านขวาเลยนะมันก็เห็นเลยมีผลกระทบเกี่ยวข้องมาโกรธมีผลต่อตับกลัวยผลต่อไตกลัวจะต้อ ง, งสั่นเทมิมเยี่ยวซึมเลยปัสสาวะเล็ดเลยเย น, นเราสังเกตนี่คือคกลไกของธรรมชาติที่มันรูปทำนามทำสอดคล้องกันพอดี ดีใจมีผลตัวใจเสียใจมีผลต่อปอดกังวลใจมีผลต่อมาเมาคิดมากๆมีผลต่อสมองมันก็จะเห็นเลยเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยภาษาพูดเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาปฏิบัติเป็นภาษาอาการมันเป็นสัมผัสเป็นความรู้สึกตัวรู้สึกอกษรก็คือรู้สึกกุศลก็คือรู้สึกบุญก็คือรู้สึกปากก็คือรู้สึกมันรู้สึกได้เลยน ไอ้รู้สึกปกติมันก็รู้สึกไอ้ตัวนี้จิตมันจะกลางๆจะรู้เลยนะมันจะเป็นลอยเป็นล่องเป็นช่องเป็นทางเป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลนะมันจะละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงกสติก็มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นรู้ทันได้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นจนได้เหมือนกับว่าตากระทบกัสักตะว่านี่ละหูได้ยินกัสักตะว่านี่ละแต่ถ้ามันไม่เห็นว่าแต่ละทวารแต่ละทวานรู้สึกอย่างไรสัมผัสยังไงกระทบยังไง ตากระทบลูกอรู้สึกได้แม้ทางสายตาระบบประสาทตาทำงานมันก็คือความรู้สึกตัวหูก็เหมือนกันเวลาหูเสียงมากทบทางหูใจเขาละเป็นเงินมันพุ่งพวดมาทางที่ทวานหูเลยหรือว่ามันรู้สึกตัวอยู่รู้สึกที่หูอยู่มันต่างกันบางทีมันมาที่ตวานหูเสียงมากระทบมันแนบแน่นกันไปเลยแล้วเสร็จแล้วมันก็หลงไปเลยแล้วก็ปรุงแต่ง เอาสัญญาลวงระลึกเข้ามาเคยจำได้ไหมรู้นะเคยสมมติอย่างไรเคยบัญญัติไว้อย่างไรเป็นพอใจไม่พอใจมันทำงานพลิบตาเดียวเลยอย่างี้นะเราก็จะสุขจะทุกข์ไปกับมันได้เลยทันทนะีหลงเผล่เป็นพวกพูนได้ทันทีเปรต ส, สันลกสูรลักายอบยภูมิตัดราชาญพวกนี้หรือมองปั๊บคิดแต่งแงด่ดีเป็นเทวดาไปเลยเป็นพรหมไปเลยเมตตาไปเลย ต่สรรพสัตว์สว ร, รสิ่งใช้ควณธรรมมารองรับทันทีตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจสมองคิดปรุงแต่งต่างๆมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีปฏิบัติวิถีทำวิถีของกรรมทันทีคิดดีพูดดีทําดีคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเป็นกรรมทันทีมาดูแล้วเราก็ไม่สบายใจทันทีเป็นกรรมติดไปทันทีเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเราแยกย้ายกันไปภาพมันก็โผล่มาอีกเดี๋ยวก็โผล่มาอีกนะ มันเป็นเรื่องของนามรูปถ้ามีสติรู้ทันก็เรียกานามรูปทิ่เฉทยานเป็นญาณอย่างรูนามรูปเยเราก็ปลอดภัยทันทีนก็กลายเป็นสนุกดูดูไล่เห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นก็สนุกดูแล้วตรงนี้ถ้าไม่แยบกายไม่อยู่คนเดียวไม่คล้ายๆกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลือกสักหน่อยก็จะไม่ได้เห็นหรอกมันจะได้อยู่กับโลกภายนอกนั่นแหละเห็นโลกของการกินเกียด สนุกไปวันๆนนคุกกี้ไปวันๆหาหอยู่หาหกินไปวันๆนะเพราะนั้นเราก็ต้องคล้ายๆกับว่ารู้เขตโคจรเขตอโคจรมันอยู่ตรงไหนอย่างไรในช่วงนี้ไทยไทยภาษาแล้วก็ทราบว่า น, ะนะักเวทธรรมบางคนก็พยายามปรีวิเวกแล้วเช่นเคยมาอยู่แถวๆนี้ทางานทาการมีคนใช้ก็ถูกไปเก็บอารมณ์อยู่ทางอีกทางนันงมทนา ไปหาที่อยู่เงียบๆเบถอะแล้วก็ตัวใครตัวเราสรรสร้างชีวิตของเรามันไม่ยากหรอกไอการทํางานร่วมกันนะบอกเลยไม่ไยากหรอกในนิดเดียวแต่การอยู่ตนกับตัวเองแนละทำงานกับตัวเองเนะี่ยงานกรรมฐ า, านอะยากเมื่อวานมีโอกาสเปิดสื่อหลงุงปุถียนท่านะนพูดไว้ที่วัดสนามในเมื่อวานลงุงปเทียนนะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมได้แตมาให้ความเคารพท่านพูดว่ชาชั้เรื่องงานของเราไม่มีอะไร มาอยู่วัดสนามในแล้วมีแต่เรื่องการเดินจงกรมกับสร้างจังหวะสองเรื่องนี่แหละท่านพูดไว้ชัดส่วนงานอื่นๆเนี่ยท่านไม่ได้พูดถึงเรอเน้นท่านเน้นกว่าอาจารย์อย่างหลวงพ่อมันเขียนเนี่ยท่านเน้นเลยนะเน้นว่าท่านเองเนี่ยคือชีวิตของท่านนะะทํางานมาเยอะมีความสําเร็จมากท่านก็พยายามที่จะเคลื่อนมือนั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมให้มันรู้จริงๆมันอะไรกันแน่นะท้าทายไว้ทําอย่างนี้นะ หเดือนไม่รู้อะไรสองเดือนไม่รู้อะไรสเดือนเอาตังไปมันอะไรกันแน่เนี่ยแล้วท้ายสุดก็คือท่านทันถ้ามีความสําเร็จในเวลายี่สิบเอ็ดวันอาจารย์คำพลก็เหมือนกันท่านเคลื่อนมือไปเคลื่อนมือมาพลิกความพลิกหงายอยู่วันเตียงหนึ่งเดือนของเราผ่านมาสองเดือนแสนแล้วจะหมดล้วเดือนกรรมฐาน40่สิบวันก็มีผลล้เรื่องรูรูปน้ำสภาพธรรมต่างๆชัดเจนอยู่ตั้งเหมือนกับว่ามันมั น, ม น, มนอกมัน่นใจนะ ว่าพระเจ้ามีจริงแล้วก็มรรคผลนิพพานมีจริงแล้ว ก, การปฏิบัติจริญสืบฐานเนี่ยมันรู้ได้จริงๆริรเป็นทางเอกขนทางเดียวสู่การรู้แจ้งจนตั้งมั่นก็ว่าเราลงทุนมาแล้วพลาก็แต่งชุดนักเรียนในเครื่องแบบญาติโยมกันชุดนักเรียนนอกเครื่องแบบเราต้องการคุณภาพเราคุณภาพคือคุณภาพของตัวเราอย่างนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้อย่างในแล้วก็แบ่งปันกันตามภูมิจิตภูมิธรรมของเราต่อไปไม่ชักใบให้เรือเสียอย่างนี้นะ เนเรื่องของทิศทางสู่การพ้นทุกข์มันมีล่องมีลอยจริงๆหรือการรู้รูปทำนามธรรมอันนี้มันเป็นเพียงแค่กระแสถ้าจะได้หลักจริงๆคือเห็นความคิดเป็นหลักของกรรมฐานจริงๆตรงนั้นน้ำปลอดไปสนวนจะเห็นในรายละเอียดของความคิดมันก็ต้องเรียกว่าแยบคายแล้วก็เห็นจากอยากไปหาละเอียดซึ่งตัวสติตัวปัญญานะี่มันก็เปรียบเหมือนกับซับ ภายนอกเหมือนกันก็คือเงินเนี่ยแต่เราหาเงินเป็นเราจะรู้แล้วไอ้นี่มันช่องของเงินเนี่ยนะมันก็จะเห็นช่องมันก็จะขยันอะไรกันเนี่ยรัวพวกนี้เช้าจะได้ตังเงคืนนี้ต้องรับผิดชอบงานให้แต่มันก็ต้องรับผิดชอบใครจะปล่อยให้พวกนี้ลาบหลุดลอยไปไม่มีหรอกสติปัฐานก็เหมือนกันนะมันรู้แล้วรูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วพอมเข้าล่องเข้าลอยจิตสมดุลมีความเป็นกลางกับความรู้สึกตัวเนี่ยมันอยุดไม่เป็นหรอกมันได้อารมณ์ปฏิบัติ มันมีความสุขฮะแล้วใครไปหาความสุขอย่างอื่นไม่มีหรอกมันก็จะหาความสุขจากการปฏิบัติจนกระทั่วางสุขมันเวลาสุขก็ยึดไม่ได้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปบางทีก็เบาโล่งโป่งบางทีก็หน้าดําอึดอัดออกมาเลยอย่างเงี้ยจิตเป็นอกุศลบางทีจิตก็เป็นกุศลบางทีก็หงาวหาวนอนไม่จบไม่สินน้นกันมันก็เลยคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราจะต้องผ่านตามระดับขั้นตอนไป เป็อารมณ์ปฏิบัติเบื้องต้นทางกลางที่สุดอะไรก็ว่ากันไปนะชา้ชาๆได้พราเล่มงามบางทีมันก็ไม่หวือหวาหรอกวิธีปฏิบัติทำครูบาอาจารย์ที่ท่านก็หวือหวาหน่อยว่าชีวิตมันโลดโผนพอมาปฏิบัติมันก็เห็นอารมณ์หวือหวาหน่อยบางคนก็ชีวิตก่อนมาวัดปฏิบัติก็นิ่มๆอยู่นะไม่ค่อยมีอารมณ์หวือหวาพอปฏิบัติก็นิ่มๆเหมือนไม่ได้อะไรนะนะอันนี้เราช้าๆได้พราเล่มงามก็ทำไปเรื่อยๆ มันไม่ต้องรู้อะไรก็ได้บบางคนบอกโอ้ฉันทํามาตั้งนานแล้วไม่เห็นรู้อะไรเลยมันก็เฉยเฉยอ้าวกระเจาอะไรก็รู้เฉยเฉยก็หลุงพ่อเตียนบอกให้รู้เฉยเฉยก็สังเกตดูมันอ่อนยยนมันผ่องแผ้วมันบริสุทธิ์มันสะอาดสวยไม่ละจิตนะถ้าเดินกับตัวเองรู้สึกเออมันนุ่มนวลมันอ่อนโยนกับตัวเองก็แสดงว่ากระโถกแล้วแหละรู้เฉยเฉยมันเป็นตัวปัญญาไปแล้วไม่ต้องไปเจอข้อสอบอะไรมากมายในการปฏิบัติ แต่พอมันไปเจอจริงๆนะในโลกของความเป็นจริงแล้วยังเหมือนเดิมอยู่ไหมล่ะรั่วหลงเผลอไปกับเขาเขาคุยกับุบเขาด้วยเขาหัวเราะหัวเราะไปกับเขาด้วยเเขาพาเราสุขเราทุกข์ล้วก็วันไหวไปกับเขาแรงว่ามันไม่ใช่หรอกก็ต้องมาฝึกะหรือไม่ก็ต้องไปเจอของจริงเลยแล้วก็สังเกตอารมณ์เอาเข้าครัวด้วยนะทายทายภาษาแล้วไปช่วยแลกเปลี่ยนกันมันก็ได้ไอทีทำครัวมาทั้งภาษากลับมาปฏิบัติไอที่ปฏิบัติจนกระทั่ง เหมือนกับตัวเองไม่เห็นอารมณ์อะไรเลยก็ลองไปเจอครัวดูเสร็จแล้วลองสังเกตดูย่างนิ่มๆได้ไหมมันเฉยๆกลับมารู้สึกตัวได้ไหมก็ลองดูจิตใจจะสมตุนทันทีอย่างนี้นะเป็นต้นก็ยกตัวอย่างให้ฟังเปรียบเหมือนอย่างนี้ก็ได้สลาแห่งนี้นะเป็นสลาไม้ตัองกสังเกตให้ดีนะปัจจุบันนี้ไม่มีปลวกเดินเลยแต่เมื่อสักปีที่แล้วนะโอ้โหมองไปทางไหนมีแต่ปลืกเท่านั้นเลยนะ มีต่ปลวกเดินมาเดินไปแล้วก็เรากวาดมันออกวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ทำต่อยแล้วมันขยันมากปลวกก็เลยลองใช้วิธีธรรมชาติดูมีข้อโฆษณาชวนเชื่อว่านเนี่ยสหมืามาจะจัดการให้ใช้วิธีธรรมชาติจะหลอกปลวกด้ยการฉีดยาเป็นละนาของสกัดมาจากสารธรรมชาตินะ เสร็จแล้วมาฉีดไปแล้วเนี่ยไอ้ปลวกงานน่ยมันจะพาตัวมันเองพากลิ่นตัวมันเองไปหานางพญาเสร็จแล้วนางพญาพอได้กลิ่นจากไอ้ปลวกงานนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีคิดของมันทันทีเปลี่ยนธรรมชาติของมันทันทีโดยมันคิดว่าปลวกเนี่ยหมดอาหารแล้วปลวกงานไปหาอาหารไม่ได้อาหารแล้วมันหมดไปแล้วอาหารมันก็จะไม่ออกลูกนะ หลังจากนั้นให้เวลามันหน่อยรับประกันห้าครั้งถ้ามาถึงห้าครั้งแล้วมันยังไม่หายเนี่ยคืนเงินให้สามหมื <Sang> ่นห้านะก็สังเกตดูเอ้มันก็ยังขึ้นอยู่นะเดือนต่อมาเอ้มันก็ยังขึ้นอยู่นะเดือนต่อมามก็ยังขึ้นอยู่นะะให้เข้ามาถึงสี่ครั้งครั้งที่ห้ามันก็ยังขึ้นอยู่นะแต่ก็ไม่อยากชวนเข้ามาเพราะถ้าชวนเข้ามาปั๊บบอกให้เข้ามาปั๊บ ก็ถูกปรับสามพันไอ้สามหมืนห้าอย่างเงี้ยนะก็กลายเป็นว่าเราก็จะเอาเปรียบเขาหรือบางทีเขาก็ขาดทุนก็เห็นใจกเขะก็เป็นนั้นว่ามันไม่หายเอาไม่หายก็ไม่เป็นไรก็อดใจคอยอดใจคอยอดใจคอยเอ๊ะสังเกตไปสังเกตมาเดี๋ยวนี้มันไม่มีปวกเดินเลยนะมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆริบางทีมันก็ไม่ได้ดังใจเราอะมันต้องรอต้องคอยไปอย่างเงี้ยนะเรื่องทีเราถูสบู่อาบน้ําถูสบู่ถ้าเรา รีบอาบแล้วก็ถูสบู่รีบล้างออกะมันก็ปากร้าสบู่ยังไม่ได้ทํางานเลยยังลื่นอยู่เลยนะบางทีพอเราถูวไว้สักสองสามนาะทีแล้วก็ลูบนะๆเล่นๆไปพอมาล้อีกทีเออมันเอียดเลยเคยมีมาทํางานกับร่างกายของเราเออมันก็ต้องรอต้องคอยเหมือนกันนะบางทีนะนะแต่ว่าสบู่ยังอยู่กับผิวหนังของเราหรือว่ายายังอยู่กับปลวกอยู่อย่างนีน้อันนี้ดีนะ เหมือนสติความรู้สึกตัวยังอยู่กันอยู่ยังเกาะกันอยู่ให้เวลามันหน่อยเดี๋ยวความคิดค่อยๆอ่อนตัวไปเองอ่อนตัวไปเองเราก็เห็นเออความเป็นปกติปรปากฏมาไปเองเนี้ยเนะป็นการอุ บ, บัติขึ้นมาตามกฎของธรรมะธรมธรมชาติตามกฎของธรรมกรรมฐานเออเนาะเวลาคิดเวลาพูดเนี่ยไอ้สมองมันไปแต่ว่าลิ้นมันไม่ไปด้วยมันไม่ไปด้วยกันลิ้นมันแข็งอ่ะ ทีนี้อีกอันก็คื อ, อเพื่อนของเราเมื่อวานก็ได้ทำมาจากเพื่อนของเราอยู่คนชื่อแพนเค้กที่เรียกกันเรียกกันหรือพระอันหรือชื่อจริงจำไม่ได้ชื่ออะไรก็ไม่รู้เมื่อวานออกไปทางลงย้อมก็เห็นนั่งย้อมอยู่พอเห็นปั๊บก็ก็นั่งยกมือสิบสี่ชั้นวาอยู่ปกติพูดคุยกันเวลาย้อมมาเอาป้ายไปติดฉันมาทําอะไร แล้วอะไรฝึกสติรู้สึกตัวแล้วก็ปิดวาจาอะไรนะงดพูดเพื่อภาวนาสามป้ายนี่เอาไปติดเอาไว้เพราะปกติจุดนั้นนะโอ้มันเออกระเหลิกหน้าดูเลยเวลาไปอบตัวกันทีนถ้าเป็นสมัยก่อนนะเข้าไปซัแล้วแต่เดี๋ยวนี้ปล่อยรอดูกันมันจะเปลี่ยนเม่อไหรกคราวนี้ปรากฏว่าโอ้หน้าไปทำอะไรมานะ เยิ้มเป็นน้ำเหลืองเลยนะแดงเยิ้มก็จานนั่นแหละเอาไอ้ดินสอบพองให้ผมปาลากรงกายเป็นปูนขาวอะโยมไอ้ดินสอพองไกายเป็นปูนขาวนีนึกออกไหมอาดินสอบพองอะพอกหน้าดีไหมดีถ้าปูนขาวพอกหน้าเป็นไงก็กัดหน้าเอาซิโยมแล้วถามอืมทําไมมันกัดหน้าได้ขนาดนันะ้นนะก็ ไม่รู้ก็เอามาทาก็เลือกเอาห่อนี้ไว้มันเป็นห่อพิเศษนะนอกนั้นก็ให้คนอื่นเข้าไปเสร็จแล้วพอมาทาหน้าเนี่ยทาปั๊บก็พอดีโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ก็แน่ละก็ถ้าคุยโทรศัพท์จริงก็อยู่กับโทรศัพท์ย่งนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่หน้าใช่ไหมเสร็จแล้วคุยเสร็จนะมีความรู้สึกมันคันๆแสบๆหน้าก็เอามือไปลูบดูปรากฏว่ามันหลุดล่อนมาเลยน้ำเหลืองเยิ้มเลยมันกัดไงผิวหนังลอกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอืม เสียหน้าไปหน่อยตอนนี้ก็ไปหาหมอ น, ะนำเหลืองเยิมนี่แหละยิงดูแลงไปยิงเหมือนกับว่า <c oughs> ไม่ได้ดังใจหรอกนะแล้วบางทีมันก็ประม า, าทพลาดพลั้งไปก็เออเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะโชคดีที่อาตมาไม่ได้มาพอกหน้าตัวเองเพราะอาตมาไม่เคยคิดพอกหน้าพวกเราก็ชอบนะีดูแลหน้าตากันขาวพองนะอนนี้ทางพระวินัยก็ถือเป็นเมตุนธรรม เมทุนการเสดเมถุนเอขัดสีฉวีวันพอกหน้าพอกตาอบเนื้ออบตัวมีความผ่อนคลายสบายเนะื้อสบายตัวนี่คือเมถุนทำฟังเสียงผู้หญิงฟังเสียงผู้ชายแล้วจิตใจละลิกละลี้หัวเลาะกับมาตุกามนี่คือเมถุนธทำเห็นลักษณะของลูกเศรษฐีมาอวบอิ่มเ อ, อิบเรารู้สึกดูแล้วมีความสุขสบายหูสบายตานี่คือเมถุนธทำอย่างเดียนะ เมื่เราล้วนเนี่ยคือเมถุนทำเมถุนเจริญเมถุนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยทำไมรู้สึกตัวประมาทมก็มีอะไรมากมายแล้วกันที่มันจะปรากฏขึ้นมาให้เราได้เรียนกันแล้วก็จึงเอาเป็นครูทั้งหมดเลย <c oughs> อยู่กันในฐานะกายานมิตรนะเราก็จะออกบรรณาแล้วอยู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เอาสิ่งแวดล้อมเป็นสัต์ปายะเอาเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์เป็นกายานมิตร เราเอาความรู้สึกตัวเอาตัวเองเป็นครูสอนตัวเองกันใช้ความรู้สึกตัวที่มีอยู่นีสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวอี่เนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็บางอย่างเราก็คอยได้บางอย่างแล้วก็คอยไม่ได้เช่นเราคอยไม่ได้ที่ใช้เวลาให้มันผ่านไปแต่ละวินาทีวินาทีวินาทีแล้วก็รอความตายแล้วก็รอให้มันเป็นไปตามยะถากรรมอันนี้เรารอไม่ได้เราต้องประพฤติวัดปฏิบัติทำ แต่การนั่งการเดินการยืนการนอนการจะทาอะไรก็ตามไม่ทิ้งความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวจนกทั่งสติมันตื่นขึ้นมารู้สติอันนี้ก็จะทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติจะรู้กายรู้เวนารู้จิตรู้ธรรมจะรู้รูปธรรมนามธรรมจะรู้จักว่ารูปมีสีเป็นยังไงเวลามันปกติ มันแก่ยังไงเป็นธรรมชาติมันเจ็บยังไงเป็นธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามันจะตายยังไงสติก็จะดูรู้เท่ารู้ทันเป็นกฎของธรรมชาติเซลล์จริงๆมันตายอยู่ทุกขณะทุกวินาทีหรือวิญญาณเนี่ยมันตายอยู่ทุกขณะทุกวินาทีมันทนอยู่ไม่ได้ตามลักษณะของทุกขที่มันแสดงออกเป็นทุกข์ขังอยู่ร่างกายของเราจริตใจของเราแสดงออกเป็นทุกข์อนิยจ ส, สัตติ ตุกจมูกไทยนีลดมันแสดงออกเกิดดับเกิดดับเกิดดับถี่ยิบเราเห็นผ้าไตรักเกิดขึ้นไหมตลอดเวลาเวลาเลยนะแล้วทิ่สำันก็คือตัวสติที่มันเด่นขึ้นมาตัวปกติที่เด่นขึ้นมามันก็เกิดดับเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้สึกตัวดีๆแล้วก็ความคิดไม่รุนแรงเราจะเห็นว่าอาการดับของสติที่ดับไปมันเป็นความว่างด้วยมันว่างแต่ถ้าความรู้สึกตัวที่รูปทำนามทำไม่พออันนี้ก็นั่นหมายถึงว่า มันก็จะกลายเป็นเรื่องของตัวหลงนั่นเองหลงเพลิดเข้าไปทางตาแล้วก็ของเก่าถ้ายังมีอยู่ก็จะปรุงตามของเก่าสัญญาเดิมที่มันมีอยู่ที่ถี่มานะอาหารการเมังการก็แสดงปรากฏออกมาทันทีก็กลายเป็นว่าเราก็เปลี่ยนอยู่แต่ว่าเปลี่ยนไม่มากหรือว่าเราพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองอยู่โดยการปฏิบัติแต่ว่าสิ่งมันล้อไม่ค่อยดีอารมณ์เขานอกมันแรงหรือว่าข้อสอบมันโตเกินไป เราไม่สํารวมอินทรีย์เราไม่ประมาณในการบริโภคเนี่เราไม่เหมือนกับว่าเล่งความเพียรตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องของความเนินช้าในการที่จะเดินทางธรรมแล้วก็ปลดทุกออกจากชีวิตของเราได้ไวทุกกําหนดรู้แต่เหตุแห่งทุกมันคืออะไรกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกอย่างเนี่ยตัวลบตัวกดตัวหลงเกิดจากเราไม่รู้สึกตัว เมื่อเรารู้สึกตัวแล้วก็เห็นว่าเออมันช่วยได้จริงๆขนาดเดียวขนาเดียวดัะนั้นทําไปเรื่อยๆนะโยมนะที่ญาติโยมพูดว่าปฏิบัติทั้งพรรษาหรือว่าทํามาหลายพรรษาแล้วเหมือนไม่ได้อะไรเดินแล้วมันรู้เฉยๆรู้เฉยๆใหสังเกตดูกันละกันเวลามันรู้เฉยๆมันรู้แบบไหนกันมันรู้แบบมีตัวเองอยู่ไหมมีกายเคลื่อนไหวอยู่ไหมหรือว่าเวลาจิตมันเคลื่อนไหวทางตาหูจมูกลิ้นหรือว่าเวลามันคิดมันปรุง สัมผัสได้ไหมเป็นความรู้สึกตัวอย่างนี้นะเห็นว่าตอนนี้พูดมาสมควรแก่เวลาก็เห็นว่าลักษณะที่พูดไว้เบื้องต้นก็คือตัวหลงมันอยู่สูงตัวรู้มันอยู่สูงแต่อยู่กลางตัวหลงก็อยู่กลางเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันรู้สึกตัวอยู่ตัวรู้มันจะเด่นขึ้นมาถ้ามันรู้เป็นปกติรู้สติอยู่ตัวรู้ก็จะเด่นขึ้นมาและตัวรู้ก็มีอาการเกิดดับเมื่อดับ แล้วเราไม่รู้สึกที่ตัวที่เนื้อมันก็จะกลายเป็นความหลงนั่นเองแล้วเข้าไปในความคิดเข้าไปในอารมณ์ต่างๆโกรธอยู่ด้านขวานะจำมาไว้โลภอยู่ด้านซ้ายนะตัวคิดอยู่ด้านซ้ายนะจำมาไว้ตัวกลัวอยู่ด้านล่างตัวโกรธมื่อมันโกรธ ถ, ถึงที่สุดมันจะทํางานอยู่ด้านล่างก็คือความกลัวนั่นแหละ กลัวเราจะไม่ปลอดภัยกลัวเราจะถูกเขาทาร้ายมีภัยร่างกายเป็นความกลอดขึ้นมาก็คือต่อสู้ทันทีอย่เงี้ยะตัวสติจริงๆอยู่กลางและอยู่บนเด่นมากอย่างนั้นนะเราออกหนะ้าออกตาไม่ใช่ล่างไม่ใช่บนไม่ใช่นอกไม่ใช่ในมันจะกลางสมดุลอยู่นะอันนี้เป็นทิศทางที่เราสามารถสัมผัสได้ในตัวชีวิตของเราทุกๆคนเมื่อเรามีกรรมฐานมีตานในก็ขอให้ได้ประสบพบเจอนะ ในเร็ววันนี้หรือว่าในวันนี้เลยปัจจุบันขณะนี้เลยแล้วก็สามารถเดินไปสู่มรรสู่ผลแล้วก็เห็นกิเลสจนกระทั่งเหมือนกับว่าเห็นจนเกิดความหายสงสัยมีความมั่นอกมั่นใจในเส้นทางเดินสู่สติปัฏฐานแนวหลวงพูเทียนจีอโพจนกระทั่งเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ทำหน้าที่กับตัวเองกับผู้อื่นต่อไปก็ขอให้ได้พบเจอ โดยทัวหน้ากันทุกรู้ตุกนันเธอกลับมาพร้อมกัน